بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمامتواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي <ت ص في ق> الشريط الخامس ويحتوي على س و ر ت ي الأعراف والأنفال ن ن ب د الأعراف بل و الأعراف เป็นบทมา ك ي ه มีความยาวถึง206องค์การถือเป็นบทแรกที่ได้เล่าประวัติ ของบรรดาศาสดาไว้ค่อนข้างละเอียดและยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่อลร์ยืนยันถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพการตอบแทนความดีและความชั่วในตอนแรกของบทนั้นได้กล่าวถึงมุฮิญิศาส์ความมหัศจรรย์ของอัลกรุรอานและท่านศาสดามูฮัมมัดสุลต์ลลฮ์ฮะเลวัสลัมและยืนยันว่าคํำพิอัลกุรอานนั้นเป็นความโปรโดปรานของพระพุทธเจ้าสู่มวลมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องยึดเอาคำภีอัลกุรานเป็นธรรมนูนในการดำเนินชีวิตเพื่อพวกเขาจะรับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลลอสุบฮานวาตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกเหตุที่เขาออกจากสวรรค์ลงมาสู่โลกนี้โดยได้ฉายภาพไปเห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมหรือระหว่างความดีกับความชั่ว และแจ้งให้ทราบว่ามนุษย์ในโลกนี้นั้นมีศัตรูตัวฉกาศคืออิบลิสและบรรดาพักพวกของมันนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนั่นก็คือจะเกิดโลกาพินาศหรือวันโลกดับหรือใายเห็นถึงการโ ต, ต้ตอบพูดจากันระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกทั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่มนุษย์ทั้งมวลในโลกนี้ เรื่องของบรร ด, ดานับีหรือศาสดาที่กล่าวรายละเอียดไว้ในบทนี้ก็คือนบีนวัวฮูดสอเลห์ลุชชุยบและมูซานอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างนักวิชาการหรือผู้รู้ที่ชั่วหรือผู้รู้ที่ดีและได้จบลงด้วยการยืนยันในเรื่องการให้เอกภาพต่อรอดเช่นเดียวกับการเริ่มต้นของบทเหตุที่ใช้ชื่อบทนี้ว่าบทอัลอารอฟ ก็เพราะว่าได้มีการกล่าวถึงกำแพงที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกซึ่งกำแพงนั้นเรียกว่าอัลอารอฟนั่นเองอิบนนยูเรตได้รายงานจากอ ah ุไซฟะว่ามีผู้ถามท่านนาบีถึงผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นท่านตอบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความดีความชั่วพอๆกันความชั่วจึงทําให้เขาไม่ได้เข้าสวรรค์และความดีก็ทําให้เขาไม่ได้เข้านารกพวกเขาจึงต้องไปอยู่บนกำแพงที่กั้นระหว่างสองแดนนั้น จนกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินพวกเขาบิิิิสมมมลลาาาาหรรรรีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลีฟลามมีมซดอดอัลีฟลามมีม <ส>คำพีฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าดังนั้นจงย้ายความอึดอัดเนื่องจากคำพีนั้นมีอยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งนี้พระเจ้าจะได้ใช้คำพีนั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อบ่ยงมาอัน زلإليكم منربكم و ل ا พวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดแต่จงอย่าปฏิบัติตามผู้คุ้มครองใดๆอื่นจากพระองค์ ส่วนน้อยจากพวกเจ้าเท่านั้นที่จะรำลึกได้และกี่หมู่บ้านแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่การลงโทษของเรานั้นได้ไปยังหมู่บ้านในยามค่ำคืนหรือในยามที่พวกเขาพักผ่อนในเวลาบ่าย ه ه نا نا ไม่ปรากฏว่าพวกเขาวิงวอนขออื่นใดในขณะที่การลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขานอกจากการที่พวกเขากล่าวสารภาพว่า แท้จริงพวกเราเป็นผู้อธรรมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนทูตถูกส่งไปยังพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสนทูตทั้งหลายด้วย แน่นอนเราจะนำความรู้มาเล่าให้พวกเขาฟังและเราไม่เคยหายไปไหนเลยและการช่างในวันนั้นเป็นความจริงเดงนั้นที่ผู้ใดตราชูของพวกเขาหนัก ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะรับความสมบัติและคนใดที่ตราชูของเขาเบา ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ทำความขาดทุนให้แก่ตัวของพวกเขาเองเนื่องจากการที่พวกเขาอาจทาแก่บรรดาองค์การของเราและแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในผืนแผ่นดินและเราได้ให้มีขึ้นแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในผลนดินนั้นส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณและแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้า แล้วเราได้พวกเจ้าเป็นรูปร่างขึ้นแล้วเราได้กล่าวแก่มาลัยกาว่าจงคารวะแก่อดัมเถิดและพวกเขาก็คารวะกันนอกจากอิบลิสเท่านั้นที่มันไม่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้าคารมมนานวะ พระองค์ตรัสว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้ามิให้คารวะขณะที่ข้าได้ใช้เจ้ามันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาโดยที่พระองค์ได้บังเกิดฉันจากไฟและได้บังเกิดเขาจากดินพระองค์ตรัสว่าจงลงไปจากสวนนั้นเสียไม่สมควรแก่เจ้าที่จะทำโอหังในนั้น จงออกไปให้พ้นแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ตามต้อย ي ي มันกล่าวว่าโปรดผ่อนผันให้แก่ฉันจนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองตรัดว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูก ผ, ลผล่อนผัน قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم มันกล่าวว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ฉันตกอยู่ในความหลงผิดแน่นอนฉันจะนั่งขวางทางพวกเขาให้พ้นจากทางของพระองค์ท่านอันเที่ยงตรงุมมลติยนหัม ิ่มมาาคววแล้วฉันจะมาอย่างพวกเขาจากเบื้องหน้าของพวกเขาและจากเบื้องหลังของพวกเขาและจากเบื้องขวาของพวกเขาและจากเบื้องซ้ายของพวกเขาและพระองค์ท่านจะไม่พบว่าส่วนมากในหมู่พวกเขานั้น เป็นผู้ขอบคุ์ตรัสวา่าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ถูกติเตียนและถูกขับไล่ข้าสาบาลว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้า ข้าจะบรรจุทั้งหมดให้เต็มนรกยันนำทั้งจากพวกเจ้าอ้วและพระองค์ตรัสว่าอ้อดัเอย๋ยทั้งเจ้าและครู่ครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิด แล้วจงบริโภคณที่ใดก็ได้ตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อธรรมแปลว่าซัวสะละฮูมัชชัยฏอนลิยบดิยะละฮูมามาวูเรียอันฮูมามินซาวอาติฮิมา “ว่าแล้ว”แล้วพระเจ้าก็ได้กระซิบกระซาบแก่ทั้งสองนั้นเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองเผยสิ่งที่ถูกปิดบังแก่เขาทั้งสองไว้อันได้แก่สิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองและมันได้กล่าวว่า พวกเจ้าของเจ้าทั้งสองไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองจากต้นไม้นี้เพราะอื่นใดนอกจากการที่เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นมาริกะหรือไม่ก็กลายเป็นผู้ยั่งยืนตลอดกาลและมันได้สาบานแก่ทั้งสองนั้นว่าแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่แนะนําเจ้าทั้งสอง فَلَمَّذَا ق َ ا ل الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا س َ و ء َ ت ُ ه ُ م ا وَطَفِقَا ي َ خ ْ ص ِ ف َ ا ن ِ عَلَيْهِمَا م ِ و َ ر َ ق ِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ و َ أ َ ق ُ ل َ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا ع َ د ُ و م ُ ب ِ ن ِ แล้วมันก็ทําให้เจ้าทั้งสองนั้นตกอยู่ในสภาพที่มันต้องการด้วยการหลอกลวงครั้นเมื่อทั้งสองได้ลิ้มรสต้นไม้นั้นแล้วสิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองก็เผยให้ประจักษ์แก่เขาทั้งสองและเขาทั้งสองก็เริ่มปกปิดส่วนที่น่าละอายจากใบไม้แห่งสวนสวรรค์นั้นและพระผู้บาลของพวกเขาทั้งสองจึงได้เรียกเขาทั้งสองโดยกล่าวว่า ข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นั้นดอกหรือข้าไม่ได้กล่าวแก่เจ้าทั้งสองดอกหรือว่าแท้จริงชายตอนนั้นเป็นศัตรูอันชัดแจ้งของเจ้าทั้งสองเขาทั้งสองได้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราพวกเราได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเราเองและถ้าพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่ขาดถูกพระองค์ครตรัสว่า พวกเจ้าจงลงไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนและในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและสิ่งอํานวยประโยชน์สําหรับพวกเจ้าจนถึงระยะเวลาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย และจากพืนดินนั่นแหละที่พวกเ จ, จ้าจะถูกให้ออกมาอีก โอ้ลูกหลานอาดัมเอย๋ยแท้จริงเราได้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งหม่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งหม่มที่ความสวยงามและเครื่องนุ่งหม่มแห่งความยังเกรงนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาองค์การของอัลลอ์เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้รันึก يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงอย่าให้ชัชตอนหลอกลวงพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มันได้เคยหลอกลวงพ่อแม่ของพวกเจ้าออกจากสวนสวรรค์มาแล้ว โดยที่มันได้ถอดเครื่องนุ่งห่มของเขาทั้งสองออกเพื่อที่จะได้ให้เขาทั้งสองเห็นสิ่งที่น่าละอายของเขาทั้งสองแท้จริงมันและเผ่าพันธุ์ของมันมองเห็นพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ามองไม่เห็นพวกมันแท้จริงเราได้บรรดาเฉยตอนเป็นเพื่อนกับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา وَإِذَا فَعَلُوا ف َ ح ِ ش َ ة ق َ ا ل و ا و َ ج َ د ن َ ا ع َ ل َ ي ه َ ا أَبَا أ َ ن ا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ق ُ ل إِنَّ اللَّهَ لَا ي َ أ م ر ُ ب ِ ا ل ْ ف َ ح ش ا ء أ َ ت َ ق ُ و ل و ن َ ع َ ل ى اللَّهِ مَا لَا ت َ ع ل م ُ و ن ل <تصفيق> َ م ا ب ْ ح ُ و ْ ك َ ك َ ر َّ ه َ ا ْ ه ُ ي ْ พวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบรุษของพวกเราเคยกระทามาแล้วแล้วลอ์ก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทามันด้วยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงใช้ให้กระทาสิ่งที่น่ารังเกียจดอกพวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรือ จจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงใช้ให้มีความยุติธรรมและพวกเจ้าจงผินใบหน้าของพวกเจ้าให้ตรงทุกๆุกมัสยิดและจงวิงวอนต่อพระองค์ในฐานะผู้บริสุทธิ์ ต่อศาสนาของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาแต่ผลแรกนั้นพวกเจ้าก็จะกลับไป